เป็นเรื่องของความจริงแท้ในธรรมชาติส่วนวินัยเป็นเรื่องสมมติของมนุษย์เพราะถึงตอนนี้พูดต่อไปอีกว่าวินัยใช้สมมติมาจัด ก, การหมุนทาได้ถ้าพูดเป็นสำนวนภาษามนุษย์ตามสมมตินั้นก็บอกว่าเราเอาวินัยมาบังคับทมหรือไม่จำเป็นต้องรอทมก็ได้ขอให้ดูตัวอย่างข้อพิจารณานี้ว่า